มันก็ดีใจเทียนก็ดีไม่ได้เตียงประหยัดมากมันใจเทียนนี่เทียนทั้งเล่มทั้งสาหนึ่งหมดนะเราไม่ได้ตั้งใจไม่หมดเลยแบบนี้สบายอืมงั้นก็ขึ้นชั้หน่อยพออันนี้ไปดีมันไม่เกินไปแต่เกียร์นสมัยโน้ตหลวงปู่ตันนี่แค่กี่ดวงมันซื้อหมางสามสิบสองดวงเลยใช้แก๊สสมัยนั้นไฟฟ้าไม่ มันจะใช้มันไม่พอก็เลยใช้ติเกียงก็เลยแจกกันทิ่นตอนนี้นเจกแลย ว, วันไหนวัดไหนมั่งบางทีมีธุระไปใช้อันนี้เลยมันพอสมควรดีขึ้นขึ้นแต่มั น, มนดังขึง้นพอออ่อเขาเล่เมือนเนี่ยฮ่าพอเขาโอ้ย โ, โอ้ยเด็ก ไ, ไม่ออก อ๋อมาคุนึกว่าเราคุณกว่าไปดูบังไปพญานาคอ ม, มาคนะุณนี่ก็พูดให้ฟังมาเรื่อยๆจนวันนี้จนถึงวันจบของการออกพรรษาของพระสงฆ์ท่านการออกการเข้าก็มีมาอย่างนี้ตามหลักก็ทมยิไนไายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ แต่พวกเราอย่ากออกจากศีลจากธรรมเมื่อออกพรรษาแล้วอันนี้เป็นพื้นฐานของจิตใจของเราจะเป็นเครื่องส่งเสริมกําลังทางด้านจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเข้าพรรษาเราก็ทราบกันเรื่องพระสงฆ์ท่านจะทําหน้าที่ของท่านเองไม่ต้องไปเกี่ยวข้องของท่านหรอกท่า น, นมีพระธรรมวินัยการออกหลังพรรษาการ ออพอดีกับวบันเพนเดนทิเบตอย่างนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จากนั้นอ น, นิสงส์เท่าไหร่เป็นหน้าทีขททาทนนาท่ของท่านท่านจะรักษาทำหน้าที่ของท่านเองพวกเราก็ทําหน้าที่ของเป็นพุทธบริษัทอันที่ดีงามอย่าทําสิ่งที่เป็นชัดไม่อย่าทําสิ่งที่เป็นโทษแก่ตัวเองมันมีสาระแก่ตัวเองนี้ไม่ว่าวันใดเดือนใดปีใดจะเข้าเจออ้าอ้อ ก็อย่าไปทําลายตัวเองในสิ่งที่ไม่เป็นสารประโยชน์อันนี้ 3, นสําคัญออกพรรษาแล้วก็เราก็ากมีการมีวาจามีใจเป็นเครื่องรับรองใน ส, งสิ่งที่ดีที่ชั่ว <c oughs> ก็อยู่ในหัวใจของเราเราทําสิ่งที่ดีงามไว้กับใจของเราใจคอยก็สะอาดใสตลอดเวลางั้นน่ะ <c oughs> เมื่อบารมีแก่กล้าดังที่บูตเจ้าเนี่ยนะบารมีพระองค์เต็มที่แล้วเห็นไหม ถึงการเวลาก็จ้าออกมาเลยตาในเกิดขึ้นมองอยู่นักสนมกรมนันตตั้งแปดเป็นอสุภะอสุฟังไปหมดนั่นนบารณีแก่พวกเรายังบรรมีอ่อนก็บงเพ็ทานเตี้มไปตามกำลังเลื่อยไปด้วยไปแต่อย่าให้ขาดวักขาดตอนทําไปอย่าประมาทอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสาหรับพวกเราวันนี้จะพูดเทียนยอยอดให้ฟังใครจะบูชาพูดเจ้าในวัน สุดท้ายแห่งการเข้าพัรษ า, าหรือออกพันธาเป็นวันนี้เดืดวิธีไม่นอนใครเก่งก็ไม่นอนตลอดคืน อ, อยู่ในอริยาบทสามนะบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมปาะสงคีหนึ่งเราได้ครั้งหนึ่งเด็ดเด็ดมันจึงจะเด็ดหัวที่เด็ดให้มันขาดออกไปได้พอหลายปีก็ได้หลายวันขึ้นไปขึ้นไปบารมีบาร ม, มีก็แก่กาอริยาบทสามคือยืน เนรเดินนั่งแต่ไม่นอ น, นดี่เดียว่าไม่พิงพยายามอยากให้หลับอันนี้หมายถึงผู้ที่จะเอาจริงเอาจำและเติมทูนบูชาพุทธเจ้าแล้วก็เพิ่มกําลังใจิตใจของเราเปเลือกสําคัญเป็นความสัตย์ความจริงขึ้นในใจของตัวเองเป็นฐานของจิตที่จะต่อกรกิเลสเรื่อยไปถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราจะด้อยทีนี้คือความ แก่กล้าทําด้านจิตใจจะไม่มีความแก่กล้าม่จะอ่อนตัวกิเลสตลอดเวลา <c oughs> อ่อนตัวกิเลสตลอดเวลาที่การทำหน้าที่การงานทุกอย่างก็อ่อนแอหมดเพราะไม่มีคนจิงไม่มีความสัตยความจริงในตัวเองวันนี้วันนี้ใครทราบแล้วก็ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าพระสงฆ์องคชาตอ่านําไปปฏิบัติเลยวันนี้จากนั้นแล้วไม่ได้ก็ได้สักหกทุ่มเถอะให้มีศัพกดิ์บว่างหน่ ถึงหกทุ่มจะไม่นอนอย่างนี้บูชาคุณพู้ใเจ้าน้องคุณพู้ใเจ้ามาพรรณนานในหัวใจตัวเองคุณค่าขององค์มีไม่มีประมาณในลึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่ในลึกถึงอื่นอื่นในลึกมาจนเพียงพอแล้วเห็นได้อะไรมีแต่แห้งแล้งในหัวใจที่พากันตั้งความหวังวันนั้นวันนี้ปีนั้นเดือนนี้ผลสุดท้ายเจอแต่ความเศร้าโศกโศกามีแต่แห่งในหัวใจก็รู้กันอยู่ชัดๆทําไมไม่แก้ไข ถ้าเราอยากจะแก้ไขก็กข เ, ขเอาจริงอาจังอย่างนี้จะเป็นศีลประทำธรรเป็นทําพึงงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามต้องตังต้งฝังดลงไปท้าไนั้นสู้กิเลสไม่ได้เห็นว่าวันพรุ่งนี้เราจะรักษาสิ่ห้าห น, นวันพรุ่งนี้เราจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับหมู่กับเพื่อนกับผงบังคับเข้าให้หลักละเอเเตรบว่าความสัตย์ความจริงคือสัจจะบารมีผู้เจ้าสร้างมาแล้วเป็นที่ผลพอใจเป็นผลพอใจของพระองค์และ นำมาประกาศสอนนอกพวกเราก็เดินตามพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผลพอใจถ้าทำตามขอได้นั้นยังไงจิตใจนี้ถ้าไม่มีสัตว์มีจริงไม่ว่าทันบ่าเราอะไยังไงก็ไหลๆแล้วแหละยังพูดโกหกกันตลอดเวลาเวลาถวิลภาษาอสานว่าปากไม่ได้ล้อมล่วร้อมไม่มีรั่วนล้องปากก็ได้ร้อมหัวภาษาอีสานมีปากไม่มีขอบมีไม่มีสัตว์จริงๆไม่มีจินจริงจริงเดี๋ยวนี้เต็มส่วนมาก โลกยิงโกหกกันยิ่งไม่มีความสมหวังก็าะเพราะามไม่มีความจริงต่อตัวต่อกันและไม่มีความจริงแต่ต่อตัวเองอันนี้ควรจะสร้างขึ้นวั น, นนี้พูดเพื่อนย่ยอๆแล้วนําไปปฏิบัติเอาทิงเอาใครจะตั้งสัตวันนี้ในคืนนี้ก็เอบูชาพระพุกกทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วก็เทิดทูลจิตใจอย่ที่พูดแล้วยกฐานของจิตของเราที่ต่ําที่อ่อนแอท่อแท้ในจิตการงานทุกอย่างอย่างน้นอยเดี๋สามชั่วโมงขึ้นไป ทำให้เอาจริงคือสามสโมงถึงหกสโ ม, มงผู้ใดตลอดรุ่งแล้วพอชนะ ป, าชายยปุ๊ปุชัยโยไปว่ามันชนะขีเดตแล้วขั้นี้ต่อไปก็เป็นคนจริงเลื่อยไปเรื่อยนี้อันนี้ไม่เป็นคนจริงการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติพัฒฐานกเ็เลวไหลแล้วแหละเพราะตัวเองไม่มีความจริงในใจจึ ง, จงขนสมบัติมาทั้งภายนอกภายในเขาเข้าสู่หัวใจไม่ได้มีแต่บ่นเพ้อมีแต่บ่นทุกข์แต่ไม่เอาไหนเลยอันนี้กิจดุงนี้ อุดทงนี้ไม่เดียวดูถูกท่านผู้หนึ่งผู้ใดกรุณานําไปพิจารณาแล้วดัดแปลงแก้ไขแต่ละคนแต่ละคนจิตใจเราจะมีฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจิตจะมีความองอาจกล้าหานสง่างามจากนั้นแล้วก็การดําเนินชีวิตไปที่ไหนล่าเริงบันเทิงด้วยสิลล่าเริงบันเทิงด้วยคุณงามความดีด้วยศีลด้วยธรรมไปที่ไหนไม่มีความเหี่ยวแห้งทางด้านจิตใจเพราะ พื้นฐานของกิจนี่มีทำเท่านั้นเป็นที่เรียนสำปะอย่าอื่นไม่มีอาหารร่งกายการะราบกัอนอยู่แล้วท่านตั้งกินกันอยู่ทราบกัอนอยู่แล้วใครชอบอะไรก็กินไปกินไปก็แก่ไปทุกวันทำารทุกวันทุกวันแก่ไปทุกวันแต่ใจไม่แก่ไม่คํานึงถึงท่านบอกว่าให้พิจนารณาในเรื่องเพื่อเตียมตัวเองนี้เราเป็นแก่แล้วนะต้องเตือนมันมันไม่แก่ต้องบอกมันนี่ดูสิผมหมองแล้วดูซิอันนี้หนังตาเหี่ยวแล้วก็สอนมันสิแต่นั้นจะมา อยู่อย่างนี้านานเดี๋ยวก็ตายแล้วเราจะ อ, าอะไรเป็นที่พึ่งของเราไม่มีอย่างอื่นนอกจากศีลธรรมอันดีงามที่จะประดับจิตใจของเรานั้นไปฉุกโตงไม่ต้องไปแสวงหาจากผู้หนึ่งผู้ใดยอยู่ที่เราแล้วดำเนินตามหลักข้อพระทีเจ้าที่ชงสอนนี้ทั้งนั้นมีละวันนี้ยเตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายกรุณานันไปไปฏิบัติผู้อยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีให้ด็กเหลงพ้นขวายอย่าประมาทในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็นับว่าเป็นมงคลแก่ตัวเองนับไม่น้อยเลย คุงข อ, อยุติเพียงแค่นี้นะว่าพอเอาละพอไปเลิกกันจะทําเอาสิพอแล้วคุณสบายเอาเอาทั้นคืนเลยแล้วคุณเฉลี่ยตัวสปัตสหัวเห็นหักทะโยปิดชนะแล่อยู่เอาบอกแล้วละ่ะถ้าเกินจากความสัตย์ความจริงแล้วเอาตัวไม่รอดมันเลวไรเลวแหลมวาท่นมาเราก็ไม่มีสัต์มีจริง ในประเทศเจีจม ก, มก็ไม่มีคนไม่มีคนช่วยเหลเอจริๆไม่มีสันติสิริต่อกันมันจะพังพรอันนี้เนี่ยหรือว่าไปนั่นแหละอะคุณจะกคิดเ อ, อนอนนะอให้นอนตรงนั้นบัางก็ดีนะนั่นนะลูกน้องให้นอนเพราะว่าบางทีไม่แน่เพราะเราไม่มีตาในพวกเทศครับมนขึ้นมาแต่กดขึ้นมาเขาให้มานะเขามาก่าพราพูดตลก ข, ข้างก่อนเฮ้ยไม่ได้ ต่างคนต่างไม่ได้หลับน่ะกอดกันร่มกันเลยเขาเขาบปเขาเปิดมือยอย่างงี้นอนอยู่นั่นพี่บอกวันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะพุทธเขามากาศ<ม>นี่มันมีพลงมางลยัยที่พระธาตมีอะไรเขามากาบมาที่นั่นพระธาตุพาการอย่ไปนั่งแถวพระธาตุนะคืนวนะนะันนี้นะใครให้รู้จักนะพระธาตุมีคนแต่ทิศพวกแค่เขาอันนี้คนเคยเห็นนีเดินกันเป็นฝุ่นเป็นฝุ่ตามหลังลม า, ง า, าเลยแล้วไม่มีตาไหนอ้าวเพราะอะไร คุณได้คิ ด, คดสัตว์จักพัดเขาไปเลยเอานั่งนั่งอะไรตัานี้ชั่วโมงกันนะแต่ยังไปนี่นะถ้าให้เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวมั น, นขาดสัตว์นะนถ้ามันเก่งมันจะขึ้นเพรมันเองขั้วเลยเอาไม่ได้อย่างนี้มันไม่เอาเนี่ยเรียกว่ามันจะผึงขึ้นมาของมันเองาาธรรมชาติกาลังของธรรมอันนี้มีกําลังต้องเอาสัตวสามชั่งโมงหรือสี่ชั่งโมงห้าชั่งโมงกวาดกันไปก็เอาที่น้อยที่น้อยขยับขึ้นขยับขึ้น ในที่พู่นนะั้นพวกที่จัดท่านตั้งบรรมีนะก็สร้างแต่น้อยนี่คือใจเรื่อเรื่อยๆใหญ่ขึ้นมาเลยหลักเทานั้นพอพวกเราก็เลิกกันนะคุ้ผลนักกิจเจคักบ่อนแต่อย่างนั้นอย่านวนก่อนเปินไปนะชุมิตจะเอาแ้่อย่างว่าจะได้สามชั่วโมงเพงดีนะเคยนวนมาจนหลังเปรว้ยวะมีอะไรต้นจะกลับเลยครับกลับชาติชาตเล ย, เลย คนนครับผมคืนนี้โอ้โหไปยังไงเขาไปอุดรอยนี้โอ้เดินทางบินเหรอวันนี้เจอรถเต็มหมดแหละเขาดูบ้างวไฟเอาไปเอาไปวันเวให้ออกทางทําโซ่ปั้นดุมมันถ้าคุณเคยไปใครชั่ววันเวถ้าคนไม่เคยไปกับวันเวหรือวันวายก็ไม่รู้แหละน่าอินจริงใช่ ฮะพวกเราเลิกกันนะในนั่นซูมิทนะสามคนนอนไนมะ่ให้คุณลิกิตตรงนั้นตรงนะั้มานอนตามสบายเลยบอกเพราะว่ามันจริงนะแต่ก่อนอาจามานัดเขาไวเมีย่นันเป็นความจริงเพราะว่าแต่ก่อนว่าเจ็ดวันคือวันเจ็ดค่ำใครอย่ามานอนบนสลบับฝ่ายพวกเทศแล้ววันแปดค่ำในคารวะเขาระเบิดในใจอย่างนี้บอกเขาไอพวกวันโซรมากลืมบอกนี่วันเจ็ดค่ำมานอนตรงนี้ มันขึ้นมาเาะว่าตัวใหญ่เต็มบันไดเลยบอกเบิกมืออย่างนี้พวกมึงไม่ไม่ไม่ได้ใช่นั่งเป็นกลุ่มกันยังเห็นปอดกันเลยกลัวมันก็เบิกมือโอ้พวกนี้เขาจะมาจับนี่เรานัดเขาว่าวันเจ็ดข้ามเขาจะมาจาบจึงได้พูดงี้ยเหมือนกันบอกว่าไม่เป็นนั่งนั่นแต่ทุ่งหนึ่งไอ้ใครแบบไปที่นี่คนมาแต่นั้นก็ลืงบอกอีกเพราะนั้นพวกเขาก็เดินเรียงเขาจะวันนับได้เป็นเกตขอนพรวันนะถึงถ้าหลวงพ่าเมืคืนนี้มีใครมา ยีย่งจะโมาอยู่เหรอมีใครมาหรือมีที่ไหนอ้าวเขามาเดินอยู่ที่นี่นับไปแต่เจ็ดคนว่ะเป็นผู้หญิง อ, าอง้าวเขาที่ที่หลังอยาไปที่นั่นนะปุ่แท้เขาจะขึ้นไปกับเขารู้นะอันนี้ไม่ต้องตาในแหละตาเหนื่อยครั้งหนึ่งเกิดตัวหอน น, น, น, อนั่งนั่นขอภไยนั่งเนี่ยนั่งเงี่ยดูบุรีเขาแสงสว่างพุ่งมาที่โตัวหอนตัวหอนตัวมันสูงขนาดปลายอลางใหญ่ ช่วงสามเมตรบอกว่ามานั่งเล่นหรือ น, นมันบอกมานั่งเล่นพวันก็ท่านดูท่านมองเลยบอกโอ้ยคนี้หายสงสัยเรื่องผีว่าเงนไม่ใช่ผีกุ ม, มารธรรมดาไอ้พวกเราไปใส่ซื่อเขาต่างหานี่ไม่ใช่ตาในเลยหล า, ายรานันอีกหนึ่งก็เท่าจันทร์ฟองตายแล้วท่านไอ้พวกบบบังบทมันรูปสวยรูปงาม เราอย่างไงนะไปนั่งอยู่ทั้งนั้นจนมันมันอยู่ก้อนหินมนะันปรากฏให้เห็นน่ะโอ้ยงามมากนะหลวงพ่อผมก็เลยไปรูปเอ้ยอยากตายหรืออะไรวะเออมาหาคิดอย่างนั้นไม่ได้นั่นแหะพวกเขวดาจึงไม่เห็นไม่ให้หมนตุ้ยชนเห็ น, หนอันนี้ไม่ใช่ยานนี่จึงบอกนะดีไมเดี๋ยวคุณคิดคุณคิคิคดอาจจะเจอก็ได้นะขวาจริง <laughs> นี่ของมีจริงในโลกตาเนือ้อเขาแสดงไม่เห็นให้เห็นจริง ยังแต่ก่อนนะอาตมามาอยู่ที่นี่พอสี่ทุ่มปุ๊บเขจะพูดกั น, นเหมือนแข็งคนเขจะมาตลาดนั่นแต่ก่อนเงียบกวนี้มากนะเดี๋ยวนี้จึงอาตมาจึงสร้างจึงซื้อที่ออกคุณชีเรียกเสียสละปุ๊บเลยเลยซื้อที่โอ้ยลราซื้อที่ให้พวกเทพอยู่พวกคุมัจจิบดาเขามีที่อยู่จึงขยายพื้นที่ออกขยายพื้นที่ออกพวกแรงงนานางต่างเขาพวกพญายนาคเขาอยู่นั่นนี่จะไปดูหายดปพญายนาคไม่มีเห็นเถอะว่านั่นอาตมาไม่เห็นนะั่นพะูดอยู่ปัก นี่อยตาเนี่ยมันเห็นทีน่นี่หลายขั้งในอยู่ที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาพ้าถ้าเห็นอย่างนั้นไม่ได้พวกส่วนมากเทวดาจะไม่ให้ผ้าเห็นใครพระบาบางคนได้ยินเสียง ม, มันจะปะโกรธ น, นี่มันมันว่าผ้าจเจ็บเจ็บท่านอาจารย์ธนทา น, นี่ที่มีลืออยู่เป็นเจจีอาจารย์ซื้อดังอยู่ท้าเพลงสมัยก่อนอ่าท่านก็ไปปัสสาวะท่านก็นไม่ละเมือ่อตัวเองนั่นแหละ การปัสสาวต้อระวงังขอเข้าใจไม่มีใครเห็นก็เปิดเลือขึ้นท่านเขาก็หัวเฮ้ย hey, ขังไม่มีดันยานอายอะไรนี่มองงามองไหนไปเลย <c oughs> นี่เห็นไหมเขาเล่นเราเพราะเมื่ครูบาอาจารย์ท่านจึงทำนินายละเอียดจับการอยู่ฝ่ยู่เขาอจตมาไปอยู่ภูวานี่นิยายนีว่าอย่างหนึ่งตัวมาเห็นอยู่ตัวจริงกับพวกเทพเขาแสดงนี่บางพวกเทพบางประเภทละเอียดมากทีเดียวข้าดีไม่ดีจะไปอยู่ไมานานะ่น้าหน้าตัดสินบริสุทธิ์เป็นผ้าหัวขาดจิ้งมาเลย หูไม่ใช่ธรรมดานี่พูดใหคุณนิจิตฟังว่าจะไปอะไรตีดไปไม่ได้ไปไหนที่